สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ร, รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลครั้งที่33ประจำปีการศึกษาสองพระหว่างวันที่1 9บเถึงยีสิงหาคมสอ6 2ณหอประชุมราชมงคลธัญบรุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลทัญบรุรีอำเภอธัญบรุรีจังหวัดปทุมธานี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 ควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์กุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุมมองข่าววันนี้พบกับดิฉันดรนิสากรไพบุญสินทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮิร์นะคะ วันนี้มีเรื่องราวในเรื่องของการศึกษามาบอกเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันนะคะเกี่ยวกับการทำงานเมื่อเรียนจบแล้วเด็กๆที่เรียนจบเนี่ยนะคะอยากจะทำอะไรคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าแนวโน้มการทำงานทอนเด็กทั่วโลกเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะเปลี่ยนไปอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนค่ะ Makihonka. ที่ฉันพร้อมบอกกับเธอ ฟังเพลงผ่านไปนะคะกับบรรยากาศสบายๆช่วงนี้นะคะมีผลสำรวจของเลโก้ซึ่งเป็นบริษัทผลิตของเล่นรายใหญ่ของโลกได้ทำการสอบถามความคิดเห็นของเด็กอายุ8ถึง12ปีจำนวน 3,000 คนในสหราชนานจากสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนค่ะก็พบนะคะว่าในภาพรวมทั้งหมด1ใน3ของเด็กที่ทำการสำรวจความคิดเห็นอยากเป็นยูทูบเบอร์ค่ะ ในขณะที่มีเพียง11เปเท่านั้นที่อยากเป็นนักบินอวกาศแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีการสำรวจทำนองนี้นะคะโดย f a ร t o r y ในปีที่แล้วพบว่าเด็กในสหรัฐอเมริกาโตขึ้นอยากทำอาชีพสัตวแพทย์วิศวกรตำรวจและคุณครูค่ะคุณมู้ฟังคะ่ะเด็กฝรั่งอยากเป็นยูทูบเบอร์เด็กจีนอยากเป็นนักบินอวกาศแล้วเด็กไทยอยากเป็นอะไรคะเดี๋ยวดฉันมีคาตอบในช่วงท้ายนะคะ เด็กฝรั่งจากสาหรัฐชานาจากและสหรัฐอเมริกากับเด็กจีนมีความแตกต่างกันต่อมุมมองของอาชีพในอนาคตซึ่งก็เป็นผลสำรวจที่เจาะเข้าไปดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะเด็กฝรั่งอยากทำอาชีพเป็นยูทูบเบอร์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งตา่ ม, มาด้วยอาชีพคุณครูนักกีฬามืออาชีพนักดนตรีและนักบินอวกาศค่ะ ในขณะที่เด็กจีนอยากทําอาชีพเป็นนักบินอวกาศมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยอาชีพคุณครูนักดนตรีนักกีฬามืออาชีพและยูทูบเบอร์ซึ่งก็น่าน่าสนใจตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเขาอยากจะเลือกอาชีพ่ที่ทําเงินได้ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อาชีพที่ที่เด็กเนี่ยสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กฝรั่งจากสหรชาชชาแนจักรและสหรัฐอเมริการวมไปถึงเด็กจีนนั่นก็คืออาชีพครูคะ่ะ สำหรับเด็กไทยอยากทำงานอาชีพอะไรคำตอบก็เหมือนเดิมทุกปีนะคะบอกใบให้เลยค่ะถูกต้องค่ะอาชีพหมอนั่นเองนะคะผลสำรวจของกลุ่มบริษัท Adecco เปิดเผยอาชีพในฝันของเด็กไทยในปีนี้นะคะ 2,562 ครั้งที่10พบว่าผลสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทยอยากเป็นหมอมากที่สุดค่ะ ก็เป็นการสำรวจเด็กไทยที่มีอายุ 7-14 ปีจำนวน 2,684 คนอันนี้ทั้งอายุและจำนวนใกล้เคียงกับของเลโก้เลยนะคะพบว่าอาชีพที่เด็กไทยฝ่ยฝันอยากทำมากที่สุดคืออาชีพหมอรองลองมาคือคุณครูค่ะตามมาด้วยนักกีฬาส่วนอาชีพในฝันของเด็กไทยอันดับที่4อยากเป็นทหารค่ะ อันดับ5นักกีฬาย e-sport และนักแคสเกมซึ่งอันดับ5นี้นะคะก็ถือว่าติด ติดแรงแซงโค้งเลยทีเดียวนะคะก็ถือเป็นอาชีพในฝันของเด็กไทยในปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ที่อยากจะทำในเรื่องนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอ e ีสปอ t และนักแคสเกมเป็นอาชีพที่เด็กไทยให้ให้ความสนใจนะคะเป็นอย่างมากเพราะว่าเด็กไทยชอบเล่นเกมจึงคิดว่าเป็นอาชีพที่สนุกและสามารถที่จะสร้างรายได้จากสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็สร้างชื่อเสียงได้ด้วยนะคะ ผลสำรวจของ Adecco นี้นะคะคุณผู้ฟังก็ไปสอดคล้องกับผลสำรวจในข้ออื่นที่พบว่าเด็กไทย 94% ชอบดู YouTube กว่า 28% ชอบเล่นเกมและเล่นคอมพิวเตอร์แล้วนอกจากนี้นะคะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น YouTuber หรือจะเป็นโปรแกรมเมอร์ก็เป็นอาชีพที่เด็กไทยเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นในปีนี้เช่นกันค่ะนี่ก็เป็น เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะในในปัจจุบันนี้นะคะทีนี้มีผลสำรวจของ SBEIC c นะคะที่ทำการสำรวจข้อมูลผู้สมัครงานออนไลน์นะคะหรือที่เขาเรียกว่าส่งเรซูเม่เข้าไปนะคะพบว่ากว่า7จแสนรายจากเว็บไซต์เนี่ยนะคะหางานในประเทศไทยะคะ่ะก็พบว่า การสำรวจเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นของคนที่จบการศึกษาในระดับชั้นต่างๆนี้นะคะถ้าเป็นปริญญาตรีนี่นะคะก็จะอยู่ที่1 7, นะะึ่0 0มืบาทนะคะถ้าเป็นระดับปริญญาโท2 4 0 0 0ืบาทและระดับปริญญาเอกก็จะอยู่ที่ 3,6000 บาท และถ้าเป็นระดับมัธยมปลายหรือต่ำกว่านะคะเงินเดือนก็จะรับที่1 4 0 0 0บาทค่ะเราไปดูผลวิจัยเรื่องบ o r n to win, school ตทูลอสของ CE อีเนะคะเขาได้ทำการศึกษาวิจัยนะคะในเรื่องนี้โดยการชีวัดประสบะการประสบความสำเร็จของคนในวัยผู้ใหญ่นะคะว่าการที่จะประสบความสำเร็จได้นันเนี่ยนะคะ คนที่มีพื้นฐานบ้านรวยเนี่ยจะได้เปรียบกว่าคนที่ฉลาดแต่ยากจนค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขามีผลการวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ mm hmm. คุณผู้ฟังนำมาเรียนให้ผู้ฟังทราบไว้นะคะเป็นข้อมูลนะคะว่าถ้าย้อนดูนะคะประวัติการศึกษารายได้สถานะทางสังคมเศรษฐกิจของครอบครัวตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงวัยผู้ใหญ่ ดูว่ามีใครประสบความสำเร็จในการทำงานส่วนคะแนนที่ใช้การเก็บข้อมูลเพื่อวิจัยครั้งนี้คือวิชาคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่าคนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะต่ำที่สุดนะคะ 25% คือบ้านจนเนี่ยจะมีผลการสอบสูงที่สุดนะคะ 25% ก็คือฉลาดนะคะเพียงแค่ 31% เท่านั้นที่จะได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและจบออกมาอายุประมาณ25ปีทำงานนะคะเงินเดือนก็เฉลี่ยนะคะอยู่ที่ต่อปีนะคะ0าดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ1ล้านกว่าบาทของ นี่นะคะก็ตกอยู่ราวๆประมาณ 92,000 บาทไทยแต่เมื่อเขาอายุได้35ปีนะคะก็จะมีเงินเดือนเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ 45,000 ดอลลาร์ต่อปีนะคะตกเดือนรับประมาณ1 0 0 0 0แสน0 0บาทของไทยค่ะแต่ทีนี้นะคะมาดูครอบอคนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะบ้านรวยนะคะ แต่มีผลการสอบต่ำที่สุดเรียกได้ว่าไม่ฉลาดนี่นะคะมีจำนวนมากถึงเจ็สิบเอ็ดเปอร์เซ็นกลุ่มนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและเมื่อจบออกมาทำงานก็ได้เงินเนี่ยตราเดียวกันกับกับคนที่บ้านไม่รวยนักนะคะ นอกจากนี้ค่ะงานวิจัยยังค้นพบว่าคนฉลาดแต่บ้านจนเมื่ออายุ25ปีเขาสามารถเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมได้ประมาณ76อร์เซนนะคะส่วนคนที่ไม่ฉลาดแต่บ้านรวยเมื่ออายุ25 ปีนี้นะคะเขาจะรักษาสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมเอาไว้ได้ถึง 91% เรียกได้ว่าเขาก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะต่อยอดถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะไม่เก่งทางด้านวิชาการเลยค่ะผลวิจัยชิ้นนี้นะคะพบด้วยว่าในปี2016ครอบครัวมีความมั่งคั่งใช้จ่ายเงินกับกิจกรรมของเด็กไปกว่า 8,600 ดอลลาร์หรือราวๆอยู่ที่ 270,000 บาทในขณะที่ครอบครัวนะคะที่มีรายได้น้อยนย่ใช้จ่ายไปกับกิจกรรมของเด็กเพียงแค่ 1,700 ดอลลาร์หรือราวๆ 54,000 บาทเท่านั้นนะคะก็เรียกได้ว่าคนที่บ้านรวยแต่ว่าไม่เก่งวิชาการมีโอกาสนะคะมีฐานะที่ดีกว่านั่นเองนะคะนี่ก็เป็น ผลการศึกษาจากจอร์ดฮาวเซ็นเตอร์ออนเอดูเคชันแอนด์เดอะเวิร์ฟอร์ ใครว่าเราจะจบเธอพบคนดี อยากจะให คุณผู้ฟังครับฟังเพลงพรพรอในช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้ก็ไปกันที่ประเทศฝรั่งเศสกันที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเขาใช้นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์มาจินตนาการรูปแบบการรบในอนาคตค่ะและเขาก็พร้อมที่จะต้องหาทางป้องกันการรบในอนาคตด้วยเรียกได้ว่าคงต้องอาศัยแบบจินตนาการความคิดสร้างสรรค์จากนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะคะในวันชาติ ฝรั่งเศสวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะกองทัพฝรั่งเศสจะสร้างทีมแดงซึ่งประกอบด้วยนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์เพื่อให้พวกเขาช่วยจินตนาการถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตรายงานฉบับใหม่ของสำนักงานนวัตกรรมกลางโหมหรือ DIA ของฝรั่งเศสระบุว่าจินตนาการจะช่วยให้เห็นภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายที่นักยุทธศาสตร์ด้านการทหารอาจจะนึกไม่ถึง รายงานนี้ระบุด้วยว่าการทำงานที่เป็นความลับอย่างยิ่งยวดของคณะทำงานชุดนี้จะมีความสำคัญต่อการต่อสู้กับกลุ่มที่ประสงค์ร้ายแนวคิดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของฝรั่งเศสในการที่จะสร้างนวัตกรรมต่างๆเพื่อป้องกันประเทศค่ะ และเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะนักประดิษฐ์คนหนึ่งได้ทดลองขึ้นไฟบอดที่ใช้อาพ่นบินเหนือฝูงชนที่มาร่วมงานฉลองวันบัสตีในกรุงปารีสของฝรั่งเศสวันฉลองวันฉลองบัสตีนี้นะคะก็ถือเป็นวันที่14กรกฎาคมแล้วก็ถือเป็นวันชาติของประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคะ ทานายธิบดีเอ็มมานูเอลมาโคงของฝรั่งเศสได้ทวีตข้อความหลังการแสดงของนายแฟงกี้สัพตาว่าความภาคภูมิใจของกองทัพเราทัานสมัยและสร้างสรรค์และเขาก็ได้ใส่คลิปวิดีโอการแสดงดังกล่าวด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเรามารู้จักกับคำว่าทีมแดงกันนะคะดังที่เรียนคุณผู้ฟังให้ทราบว่าทีมแดงนี้ก็จะประกอบไปด้วยนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์4ี่ถึงห้าคนคะ่ะ ที่เขาได้รับการคาดหมายว่าจะช่วยกองทัพคิดอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการคิดตามแบบเดิมของกองทัพทีมงานจะใช้เทคนิคต่างๆและมีการแสดงด้วยค่ะเพื่อพยายามจินตนาการถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่กลุ่มก่อการร้ายต่างๆหรือศัตรูต่างชาติอาจนำมาใช้ นายฟรองภารีรัฐมนตรีกลางหมของฝรั่งเศสบอกว่าฝรั่งเศสถือไพ่เหนือกว่าในเกมนี้ในด้านนวัตกรรมการทหารภายในงานฉลองวันบาสตียังมีการจัดแสดงเนโรอฟหซึ่งเป็นเครื่องรบกวนสัญญาณไมโครเวฟที่มีรูปลักษณ์รยุกโดยมีรูปร่างคล้ายปืนไรเฟิลที่ถูกออกแบบมาเพื่อปิดกั้นสัญญาณที่นักบินใช้บังคับโดรน ฝรั่งเศสยังมีแผนการที่จะใช้หุ่นยนต์ช่วยสนับสนุนทหารฝรั่งเศสในมาลีด้วยค่ะแต่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการทดลองนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นำเอาศาสตร์นะคะมาประยุกต์กันแล้วไปที่จีนค่ะกลุ่มสื่อจีนรายงานการจำหน่ายสินค้าซูนิงซึ่งเป็นยักษ์คาปรีอันดับสองของจีนบอกว่าผู้หญิงจีนเริ่มดื่มวามากขึ้นค่ะ รายงานระบุว่าเมื่อปีที่แล้วจำนวนผู้หญิงที่ดื่มไวน์ในจีนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละหโดยผู้หญิงจีนส่วนใหญ่นิยมดื่มไวน์ที่มีรสหวานและส park กิ้งไวน์ซึ่งไวน์ทั้งสองชนิดนี้มีอัตราการเติบโตสูงกว่าไวน์ชนิดอื่นๆค่ะกันตาซึ่งเป็นเครือข่ายข้อมูลในที่ปรึกษาของสหรัฐอเมริกาอธิบายว่าการศึกษาแล้วรายได้ที่เพิ่มขึ้นของหญิงจีนทําให้กําลังซื้อของผู้เธอมีมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าหญิงเริ่มให้ความสำคัญกับความเป็นตัวตนของตัวเองและหันมาซื้อความสุขให้กับตนเองมากขึ้นค่ะปัจจัยด้านสุขภาพทําให้ลูกค้าหญิงจีนส่วนใหญ่เลือกวาชนิดที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำและชอบวาชนิดที่ผสมผลไม้และผักค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าจากคุณภาพชีวิตชาวจีนที่ยกระดับขึ้นนี้ ข้อดีคือเป็นมิตรกับสุขภาพของไวน์ทาให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วแทนเหล้าขาวและเบียร์ค่ะในรูปแบบการดื่มเหล้าที่เปลี่ยนไปในสังคมจีนก็จะส่งผลให้ตลาดสุราเหล้าและเบียร์นี้นะคะเติบโตไปพร้อมๆกับตลาดไวน์ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะไวน์ก็จะมีการวางขายนะคะตามชั้นสุราในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเหล้า อ, องุ่นและเหล้าขาวนานาชนิดสารพัดยี่ห้อและหลายระดับราคาให้ลูกค้าได้เลือกสรร น, นะคะเรายังคงอยู่ที่ปักกิ่งค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งเอามาใช้ในวงการพิพากษานั่นก็คือศาลอินเทอร์เน็ตปักกิ่งได้เปิดศูนย์บริการการดำเนินคดีทางออนไลน์ซึ่งรวมถึงผู้พิพากษา AI ที่อ้างว่าเป็นผู้พิพากษา AI คนแรกของโลกค่ะ ผู้พิพากษา AI ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีการสั่งะห์สเสียงพูดและภาพที่ชันฉลาดช่วยให้ผู้พิพากษาของศาลทำงานขั้นพื้นฐานซ้ำๆได้อย่างสมบูรณ์ค่ะรวมไปถึงการดำเนินคดีพื้นฐานที่มีรูปแบบการตัดสินคดีตามตัวอย่างที่มีการศึกษาจากในอดีตนะคะผู้พิพากษา AI คนแรกของโลกนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นผู้หญิงนะคะแต่คุณผู้ฟังจาได้ไหมคะ ผู้ประกาศข่าว AI คนแรกของโลกที่จีนได้ได้ได้ประดิษฐ์มนมานั้นเป็นผู้ชายค่ะภาพของผู้พิพากษาหญิงมีลักษณะสเสียงการแสดงออกทางสีหน้าการการะทำบนพื้นฐานของคนจริงๆสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งานในการดำเนินคดีตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงช่วยให้สามารถดำเนินคดีบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วนัวตกรรมใหม่นี้คาดว่าจะปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการพิจารณาคดี และในฐานะที่เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผู้วิพากษา AI และมีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่แทนผู้วิพากษาตัวจริงมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันก็สามารถทำการสื่อสารคำถามและคำตอบที่ชันฉลาดกับผู้ใช้โดยให้ข้อมูลความรู้ระดับมืออาชีพและให้คำแนะนำไม่ต่างจากผู้วิพากษษาตัวจริงค่ะ นับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาสารประชาชนสูงสุดของจีนได้ส่งเสริมเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยตัดสินคดีความบนพื้นฐานของระบบการตัดสินที่คล้ายกันสำหรับกรณีที่คล้ายกันเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมดูแลกิจกรรมที่ทดลองมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะจึงเกิดผู้พิพากษาสารร AI ขึ้นเนี่ยคะ่ะคุณผู้ฟังคะแล้วสารประชาชนสูงสุดของจีนก็ยังระบุ ด, ด้วยนะคะว่าการตัดสินที่คล้ายกันสำหรับกรณีที่คล้ายกันหมายความว่าเกณฑ์การตัดสินนั้นควรจะต้องสอดคล้องกันระหว่างเหตุการณ์ใหม่และเหตุการณ์เก่า หากสถานการณ์ของรูปคดีมีความคล้ายกันซึ่งได้รับการสนัสนบสนุนนะคะโดยศาลที่เกี่ยวข้องและศาลในระดับที่สูงขึ้นบนหลักการและแนวทางที่สำคัญจนถึงปัจจุบันจึงทำให้การเรียนรู้นี้นะคะต่อยอดมาสู่ผู้พิพากษา AI ที่ได้รับการเรียนรู้กรณีศึกษาของการตัดสินที่ผ่านมาอย่างลึกซึง้งและสามารถตัดสินคดีความที่มีกรณีตัวอย่างแบบซ้าๆซ้าๆ ได้อย่างถูกต้องรวมไปถึงการให้คำแนะนำผู้ใช้งานอย่างละเอียด คุณผู้ฟังคะเทคโนโลยี Technology AI ถือเป็นความรับผิดชอบของระบบตุลาการในประเทศจีนที่ต้องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของศาลและยังต้องใช้เวลาในการศึกษากระบวนการทางตุลาการนี่นะคะรวมไปถึงขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีของผู้พิพากษาที่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายมานานกว่า5ปีคะ่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวของประเทศจีนนะคะที่เขาได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะประยุกต์นะคะกับเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ต่างๆนะคะในปัจจุบันค่ะคคุณผู้ฟังค่ะเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนมหามงคลนะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังสวมใส่เสื้อเหลืองกันนะคะค่ะแล้ ว, วันนี้รายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองคุณผู้ฟังก็หมดลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ